พระธรรมเทศนาแผ่นที่87ดลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่12มกราคม2 5 5 9มีชื่อเรื่องว่ารู้ให้ทันกิเลส วันนี้หนาวลูกรันลุงพ่อลงไปกรุงเทพลบบุรีไปตั้งแต่วันที่ห้าวันนี้เป็นวันที่สิบสองไปหลายวันเพิ่งกลับพึ้นมาถึงเมื่อวานตอนเย็นไปทำธุระสาธารกิจห ล, ลายอย่างจนนับไม่วัดไม่ไหว พอไปแล้วศรัทธาญาติโยมไม่รู้ว่าอะไรอีลลงตุงนั่งกันไปหมดแต่ร่วนแล้วแต่เป็นสาธากิจที่ใหญ่อย่างวันที่10ไปแสดงธรรมที่วัดธรรมมงคลสุขุมวิทซอยร้อยหนึ่ง หลวงปู่วิทยังอายุเก้าสิบหปีโอ้รู้สึกว่าคู่คนมืดฟ้ามัวดินแสดงทมในคืนนั้นอะใช้เวลานานพอสมควรที่แรกก็คิดว่าจะพูดอะไรไม่ยาวแต่เห็นขนเยอ ะ, ะแสดงความคิดเห็นว่าแนแนวในเรื่องกิจภาวนานะแล้วก็คืนมาเมื่อวัน ตั้งแต่วันที่ห้ากลับมาวันที่สิบอไปหลายวันนะข่าวนี้ลูกลานพอมาก็มาเจอหนาวเลยตอนลงไปก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ก็เริ่มกําลังเริ่มหนาวแต่เย็นหนูในกรุงเทพไม่ต้องพูดละเรื่องหนาวมีแต่เย็นเย็นแต่ก็ฝนตกเนอะอยู่ในกรุงเทพฝนตกหลายแห่งตกแรงด้วยวันที่เก้าโดยเาะยิ่งวันที่เก้ไป ฉันอยู่ที่บ้านคุณสมบัติเฉลิมวุฒินัน้นที่ท่านสร้างอาคารเรียนบ้านหัวช้างเซ็นสัญญาแล้วนะโรงเรียนบ้านหัวช้างเซ็นสัญญาละหลวงพ่อไปให้ผู้รับเหมากับเจ้าภาพเงินเซ็นสัญญารวมแล้วอาคารแปดแปดห้องเรียนเป็นเงิน สี 4, 50, นะ่ล้านหกแสนห้าหมื่นตีเซ็นสัญญากันเมื่อวันที่เก้านะก็วันนี้เป็นวันที่สิบสองมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าปีใหม่มาได้สิบสองวันแล้วก็พอนวันนี้รู้สึกว่าหนาวผิดปกติเดือนมกรานะแต่ ที่ผ่า น, านมาก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ตรงพ่อฉันจังหันไม่เคยห่มผ้าคลุมอย่างนี้แต่วันนี้แหละเป็นวันแรกเป็นวันแรกที่หลวงพ่อมาจันจังหันแล้วได้ห่มคลุมฮะอาการหนาวเย็นแต่ตามไม่จริงมันน่าจะเย็นมาตั้งแต่เดือนธันวาเนะี่ยดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนแปลงพอสมควร แต่จิตใจของพวกเราถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็อย่าอย่าให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวที่ชั่วให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอันไหนดีรู้ไหมดีสิ่งที่มันดีเราควรจะประกอบสิ่งนั้นให้ดีที่สุดคิดดีทำดีพูดดี ถาหาว่าเราแยกแยะได้ว่าอันไหนดีอันไหนเล็วเราก็พอจะอปฏิบัติได้แต่บางครั้งมันสู้กิเลสภายในภายในใจไม่ไหวเพราะความอยากเพราะความอยากเพรู้ว่ารู้ว่ามันรู้ว่ามันผิดอยู่แต่มันต้านทานกิเลสภายในใจของเราไม่ได้เพราะมันอยากเพราะมันอยากขึ้นมาแล้วกันนะ่ะ ทำความเวลวเลยสินะกิเลสราคะอะมันก็ไปถลํมไปในทางชั่วกิเลสโทสะก็รู้อยู่ว่ามันเลวอยู่แต่ก็ทำไปเพราะมันโมโหมันหลังไม่อยู่กิเลสโมหะไม่ต้องพูดถึงคือความหลงมัวเมาถ้ามันหลงซะก่อนมันจึงรักรักไปในทางที่ไม่ถูกต้องถารักตามทำนองคลองทำ ก็พอทำเนาทำนองแต่ถึอยังไงก็ ย, ยังผิดกิเลสในส่วนละเอียดในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะแต่ในเรื่องหยาบขึ้นมาแล้วไม่ผิดไม่ผิดกฎศีลและธรรมแต่ว่าเรื่องธรรมในใจในกิเลสราคะอยู่ในจิตใจอันนั้นผิดแต่ไม่ผิด การสั่มรมกายวาจากายวาจาไม่ผิดถ้าพูดถ้าทำตามทํานองคล้องทำนี่มันมีหลายมันมีหลายระดับในธรำคําสอนของพุทธะแต่ถึงยังไงให้พวกเราแยกแยะให้ออกว่าอันไหนผิดธรรมส่วนลึกอันไหนผิดศีลอันไหนผิดศีลอันไหนผิดธรรมถ้าผิดธรรมชัวหนึ่ง ถ้าผิดศีลอีกส่วนหนึ่งสรุปแล้วก็คือศีลและธรรมท ำ, ทำละเอียดกว่าศีลศีลธรรมมันอยู่ในจิตใจแนวความนึกคิดของจิตใจนะคือธรรมอยู่ในจุดนั้นถ้าทำดีและทำชั่วถ้าคิดดีและคิดชั่วคิดจก่อนฮะถ้าคิดชั่วมันก็มีคิดดีมันก็มีอันนี้เราต้องศึกษาในแนวความคิดนั้นมันละเอียดแนวความคิด คิดยังไงมือจึงเป็นเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิยังไงจึงว่าตัดกิเลสกิเลสราคะมันอยู่ตรงไหนกิเลสโทสะมันอยู่ตรงไหนกิเลสโหหะมันอยู่ตรงไหนนี่แหละถ้าหาว่าเราใช้สมาธิเข้ามาจับจุดนั้นจับจุดที่ว่าตัวนี้จุดที่ว่า อ้กิเลสราคาโทสะโมหะถ้าเราไม่ใช้สติถ้าเราเราไม่ใช้สมาธิสติสมาธิปัญญาเราจะมองไม่เห็นมีแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมองเห็นจุดนั้นได้ถ้าเป็นวิชาทางโลกแล้วก็อย่าหวังเลยที่จะมองเห็นทำจุดนั้นได้ มีแต่ธรรมของพระพุทธเจ้าล้วนั้นอะสมาธิธรรมปัญญาธรรมที่จะคลี่คลายดูตัวผู้รู้ตัวนึกคิดตัวนั้นรู้ได้ว่าตัวนี้คือตัวราคะตัวนี้คือตัวโทสะตัวนี้คือตัวโมหะที่มันทำให้จิตใจกลิ่งเหมือนลูกลูกฟุตบอลฮะที่จบที่สิ้นไม่ได้เพราะกิเลสพามันเตะ เตกลิ่งไปกลิ่งมาถ้าเมื่อเรารู้ถ้าเราใช้สมาธิสติสมาธิปัญญาดูจุดนั้นแล้วก็ชำระมันกลิ่งเพราะอะไรตัดกิเลสออกชำระกิเลสออกใจตัวนั้นก็เป็นไทยเป็นธรรมขึ้นมาเป็นอิสระในการนึกคิดไม่ยุ่ในใต้อำนาจของกิเลส ราคะโทสะโมหะนี่แหละอันนี้ก็คือแนวความคิดของพุทธพุทธศาสนาท่านจะให้มีสกมีสมาธิมีสติมีสมาธิในเมื่อมีสมาธิดีแล้วก็มีปัญญาแนวใช้ปัญญาแนวแถวความคิดของพุทธะเพราะพุทธายาท่านสอนยังไงจังหวะสัมมาทิฏฐิคือความเห็น คือปัญญาจุดนี้นะขี้คลายดูจุดนั้นจะเห็นได้แต่นอกจากแนวความคิดหรือ ว, ว่าแนวของพุทธะแล้วมองไม่เห็นมีแต่ทางโลกาทางโลกมันจะเห็นอกับกริยาข้างนอกแต่ข้างโลกเห็นได้แต่สินสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเราเห็นได้แต่แนวความคิดนั้นทางโลกเขาจับไม่ได้แนวความคิดของ ของคู่ขนทั้งที่อยู่ด้วยกันเนี่ยวางแผนฆ่ากันเขาคนเขาก็ไม่รู้ทั้งที่มาว่าเจตนาดีแต่ที่ไหนได้มาเพื่อทำไร่ทำไรยอย่างนี้ก็มีแต่ถ้าเป็นหลักธรรมคำสอนของพุทธะเนี่ยถึงจะเจ้าจะอยู่ที่ไหนก็เถอะถ้าเราเจ้าทิดความชั่วนะมันชั่ววันย่างคำ่ำเมื่อเจ้าทำความชั่วแล้วความชั่วจะให้ผล ตัวท่านนั่นแหละเจริดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งกว่ากฎหมายลึกซึ้งกว่าทางโลกมากถ้าเราได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพุทธะแล้วคือพุทธะนี่ออกมาจะ ก, ก้นบึงก่นบึ่งของจิตใจใจเรานึกคิดเรื่องอะไรถ้ามีสมาธิเราจะมองเห็นได้ เพราะนั้นตองพจจึงให้ฝึกเรื่องสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาขุดคน้นขี่คลายตรวจตราดูเราจะเห็นได้ในใจของพวกเราไม่ต้องดูคนอื่นหรอกดูใจของเรานั่นแหละเพราะกิเลสมันอยู่ในจิตใจของเราพอดูใจของเราได้แล้วนะคนคนอื่นเราก็มองเนยะ มันก็เหมือนเราเหมือนเหมือนกับเราเนี่ยแหละไม่มัน ค, คล้ายๆกันเนะี่ยถึงจะไม่เหมือนทุกอย่างมัน ค, คล้ายๆคล้ายกันบางทีเขาคนหนึ่งเขาโมโหขึ้นมาแต่เรายังไม่โมโหนะบางหนบ่งทีงนงคนหนึ่งเขามีเกิเลสลาคะขึ้นมาเรายังไม่มีแต่แต่ตก่อนมันเคยมีนี่แหละมันมีขึ้นมีลงแต่ตามไม่จริง มันมีด้วยกันทุกคนกิเลสตัวเนี้เพราะนั้นถ้าไม่มีสมาธิจะมองไม่เห็นถ้ามีสมาธิในจิตใจแล้วก็ใช้ปัญญาคลี่คลายจะมองเห็นได้แล้วก็ตัดกิเลสได้มันออกมาจากไหนชําระได้เพราะเหตุเราเห็นต้นตอของมันบอกเกิดของมันแต่เรายังไม่เห็นบอกเกิดยังไม่เห็นต้นตอของมัน เดี๋ยวกันเนะตะคุบหน้าตะคุบหลังไป เ, เปรื่อยเพอเพอไม่รู้ว่าตัวไหนเพอเพ อ, เอกิเลสขึ้นกี่คอตีหัวเราอีกเราก็ยังไม่รู้่ะบางพียังใช้กิเลสไปทำทำร้ายทายคนอื่นอีกต่างหากพอกิเลสมันแหลมขมกว่าสติปัญญาของเราถ้าเรามีสติมีปัญญาได้ ใ, ใช้อาวุธแนวแถวของพุท ธ, ธะเนี่ยนำมาใช้ละเราจะทันเล่เหลี่ยมของกิเลสนะ อ๋อลับพอนะต น, นี้นะ